ใจที่ไม่สงบก็เพราะมีสิ่งรบกวนอยู่เสมอความรบ ก, กวนอยู่เสมออ้าเป็นน้ำก็ต้องขุนถ้าควรมากาเป็นน้ำก็ขุนเป็นตมเป็นโคลนไปเลย้ ะ, ะอาบดื่มใช้สอยอะไรก็ไม่ควรทั้นั้นเพราะมันขุนมากจนเป็นตมเป็นโคลน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 เช่นเดียวกับน้ำที่ไม่มีอะไรรบกวนตะกอนแม้จะมีก็นอนก้นไปหมดเพราะน้ำนิ่งไม่ถูก่ากวนบ่อยๆพระพุทธเจ้าผู้ประธานพระโอวาทว้าทรงถือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใจคือเป็นอันดับแรก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 เึงผู้ควรจะได้รับมรรคผลนิพพานในระยะรวดเร็วและจะเมีเอนตรายมาทำลายเสียกว่าได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือผู้มีอุปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้และไม่เอยนตรายอะไร เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงถือเรื่องจิตเป็นสำคัญเลงยานก็เลงดูจิตของสัตว์โลกไม่ได้เลงดูอะไรควรจะได้บรรลุหรือไม่บรรลุหรือไม่ควรรับธรรมเลยเป็นปะทะประมามะคือมืดบอดทั้งกลางวันกลางคืนดินเดินนั่งนอนเรียกว่ามืดแปดทิศแปดด้าน ไม่มีการสถานที่เข้ามาเปิดเข้ามาเบิกความมืดนั้นออกได้เลยมืดมิดปิดตาอยู่ภายในใจิตใจประเภทที่เป็นเช่นนี้พระองค์ก็ทรงทราบทรงชักตะพานไม่ทรงสั่งสอนอะไรทั้งสิ้นถ้าเป็นโรคก็คือโรคหมดหวัง แต่ยาแต่หมอยังต้องเสียมันต้องยังต้องรักษามายาท ต, ต้องให้ออกซิเยนเย่ยนอะไรไปพอถึงการนี่เป็นมายาทของมนุษย์เต่าทีดท้ายส่วนพระพุทธเจ้าไม่สงสนพระไถยเนีอาจจะพูดบ้างก็เพียงไว้กิริยาของโลกหรือสมมุติของโลกเท่านั้นแต่สําหรับพระไถยจะไม่มีความมุ่งมั่นต่อรายเช่นนั้นเลย ท่านเรียกว่าลายปะทะประมะหรือประเภทไอซไม่มีทางแก้ไขรอเวลาอยู่เพียงเท่านั้นมีประเภทนี้ประเภทที่มื่นบอดที่สุดโท่องข้อทสสรงทราบนี่ทราบที่จิตใจนั่นเองไม่ทราบที่ไหนท่องมุ่งต่อจิตใจเป็นสาคัญศาสนาวางลงที่จิตใจของมนุษย์เป็นสาคัญยิ่งกว่าสิ่งใด ทั้งหมดในโลกนี้ประเภทที่เป็นอุคติตันยูที่จะรู้ทำได้อย่างรวดเร็วเมื่อพระองค์ประทานทำให้เพียงย่อๆเท่านั้ น, น, นพระองค์ก็สงสารและลองลงมาวิปากิตันยูอันนี้ก็สงสารและทรงสั่งสอนด้วยธรรมะที่ควรแก่อุปนิสัยของรายนั้นๆ เนยะคือพูดจะต้องได้สั่งสอนหลายครั้งหลายหนคือพอเนี่ยนำสั่งสอนได้พอที่จะนําไปได้ถุดลากไปได้หุนง่ายเนยะก็แปลว่าพอที่จะนําไปได้ถูไถไปได้ท่ น, ไไนเองไม่เหมือนประเภทที่ปัตะปรมะคือนั่นมันหมดหมดหวังถึงจะลากไปไหนก็เหมือนกับลากคนตายไม่มีความรู้สึกอะไรเลย เอาใส่รถใส่ราขึ้นเทาเหาะเดือบินไปก็คือคนตายไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรที่เกี่ยวกับยวดยานที่จะนำไปนั้นๆคนประเภทนี้เป็นคนที่หมดหวังทั้งๆ ท, ที่มีชีวิตอยู่ก็หมดหวังคือไม่มีอะไรสนใจเลยคือไม่สนใจกับอะไรเลยชื่อขึ้นชื่อว่าอัวฉ ร, ริยะพระองค์ทรงทราบหมด ในบุคคลสี่จำพวกแล้วทรงเรียงญานเป็นประจำที่เรียกว่าเป็นพุทธกิจคือกิจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจึงเรียกว่าพุทธกิจห้าประการข้อ น, นี้ก็เป็นข้อนหนึ่งที่พระองค์ทรงถือเป็นกิจมาประจําประบาป็นเบวิโลกาลังวิเรียนยาณดูสัตว์โลกว่าใครที่คล้องตา คาขายคือพยานของพระองค์ถ้าไม่คล่องก็ไม่เอานี่หมายถึงจิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นภาชนะอันสําคัญอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายและจิตเป็นผู้บงการจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตได้บงการอะไรแล้วกายวาจาจะต้องจะต้องหมุนไปตามนะเรื่องของใจที่บงการนั้นๆ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 ตามล่องรอยแห่งธรรมที่ท่านเพงสั่งสอนไว้ถือว่าดำนวนถูกต้องเพราะการอบรมทางด้านจิตใจได้รับมาพอสมควราศาสนาธรรมจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเราทุกคนมีจิตมีความรู้ อยู่ทุกขณะไม่ว่าหลับหรือตื่นความรู้นั้นมีอยู่เป็นประจําไม่เคยอันตราธานหายไปไหนเลยอย่างหลับสนิทไม่ใช่คนตายคนหลับสนิทผิด ก, กันกับคนตายเวลาเรานอนหลับสนิทเรายังรู้ว่าหลับสนิท ต, ตื่นขึ้นมาเราพูดได้อย่างนี้วันนี้นอนหลับสนิทดีเหลือเกินบางคนถึงกับพูดว่าแม้เมื่อคืนนี้นอนเหมือนตายเลยเย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 กายมันนอนอยู่เฉยมันจะไปทํางานทําการไปพ บ, พบเห็นสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ตามเป็นเรื่องเป็นราวไปได้ยังไงมันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นที่แสดงตัวออกไปให้เราจําได้ในขณะที่ตื่นขึ้นมาว่าวันคืนนี้ฝันเรื่องนั้นเรื่องนั้นนี่ีหมายถึงใจกายที่ที่ลงสู่ผวางแห่งความหลับสนิทก็ไม่มีฝันนี่คือว่าเข้าสู่ผวางแห่งความหลับ คือภาวะแห่งความหลับของจิตนี่หมีถ้าหลักบสนิทก็ชือว่าเข้าสู่ภาวะแห่งความหลับอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีฝันอะไรตื่นขึ้นมาร่างกายก็มีกําลังกิดใจก็สดใสไม่มีความทุกข์ความร้อนอะไรกําลังใจก็มีถ้าหลับไปแล้วฝันไปต่างๆคือจิตไม่ได้เข้าสู่ภาวะแห่งความความหลับอย่างสนิท ออกแกวเล่ยๆล่อนๆไปนีหมายถึงหนึ่งความฝันความรู้รับก็รู้ตื่นก็รู้เป็นแต่เพียงว่าสติจะตามทราบความรู้นั้นหรือไม่นี่สําคัญถ้ามีสติก็ตามทราบความรู้อนนั้นโดยลําดับจะแยกไปรู้กับสิ่งใดก็ทราบคนมีสติดีย่อมทราบทุกขณะจิต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 ว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างไม่ใช่คนที่เป็นบ้านนั้นเป็นคนตายมันรู้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ารู้อยากําอะไรก็ทาไปตามภาษีภาษานี่แหละความรู้แท้ความรู้มันตึงอย่างนั้นจิดมีเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาแล้วจะไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูก แล้วจะไม่มีการไข่ควรอะไรลึกตื้นอย่ากละเอียดอะไรได้เลยถ้าไม่มีปัญญาแสงหยงู่นั่นแหละมีแต่ความรู้โดยลําพังก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่เหมือนอย่างคนบ้าอืมนี่พอมีสติขึ้นมาคนบ้าก็ค่อยหายบ้าพราะมีสติรับทราบว่าผิดหรือถูก ป, ประการหนความรู้ที่ว่านี้ไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิ์ เป็นความความรู้ของสามัญชนทธรรมดาและยังลดกว่าความรู้ของสามัญชนลงไปคือไม่มีสติคอยกากับรักษาจึงได้เป็นความรู้ประเภทบ้าคือไม่มีอะไรปกครองไม่มีอะไรรักษาไม่มีอะไรรับผิดชอบเลยมีแต่ความรู้เลยลำพังจึงเป็นเช่นนั้นถ้ามีสติสตางค์เป็นเครื่องกากับรักษาอยู่แล้วความรู้นั้นจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ พ่อมีผู้คอยชักจูงมีผู้คอยรังคอยคอยเร่งคอยรังเหมือนกับรถที่มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบร็มีทั้งพวงมาลัยจะหมุนไปทางไหนก็ได้ด้วยสติด้วยปัญญาที่ควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาส่วนจิตของท่านผู้ถึงความบุพ้นแล้วนั้นไม่ใช่จิตประเภทนี้ ความรู้เฉยๆนั้นไม่มีความรู้เฉยๆที่ว่ามันมีจิเล็สแสงนั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ล้นล้วนแต่ว่าท่านมีสติหรือท่านไม่มีสติท่านก็ไม่เสกสรรท่านไม่สําคัญล่างใหญ่ก็คือบริสุทธิ์ล้นลวนแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นน กิจสามันชนทั่วทัวไปกิงจำต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาถึอจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรกิริยาแห่งการแสดงออกถ้ามีสติมีปัญญาความควบคุมอยู่ก็น่าดูสวยงามพูดก็มีเหตุมีผลทําอะไรก็มีเหตุมีผลหลักจึงขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นสําคัญนี้เรา นับถือพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธคําว่าพุทธะหมายความว่าอะไรพุทธะที่พุท ธ, ธังสนางลัชามีนี่เป็นพุท ธ, ธอันเลิ่โลกคือพุทธะที่บริสุทธิ์พุทธะที่ประเสริฐเราถือท่านผู้ประเสริฐหรือน้อมท่านผู้ประเสริฐมาไว้เป็นหลักใจมาเป็นเครื่องพึ่งพิงมาเป็นเครื่องอาศัยเราจึงควรจะระลึกถึงความรู้ของเราเสมอ วาขณะใดได้ไดบกพร่องไปบ้างสติสตังไม่มีเวลาโกรธก็โกรธมากเวลาชุนเฉียวก็มากเวลารักก็มากชังก็มากเกลียดก็มากโกรธก็มากคือความไม่มีสติรังถ้ามีสติรังแล้วก็พอทราบได้และย้ำยั้งตัวได้ในปัจจุบันวันหนึ่งวันหนึ่ง ถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจจะทำหน้าที่การงานอะไรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่คว่าผิดพลาดหรือเรื่องราวจะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็มีสติปัญญากันกรองทินิพิจารณาพอทราบในทางถูกและผิดแล้วพอพยายามแก้ไขดัดแปลงตนหรือหาเอาตัวรอดไปได้ผูยังไงธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ เป็นสิ่งที่จะทำคนให้ล่มจมแต่เป็นสิ่งที่จะฉุดลากคนในเมื่อจะล่มจมหรือในเมื่อจะติดอุปสรรคอะไรเกิดวความทุกข์ความลาบากประการใดธรรมะช่วยหรือสติปัญญาเป็นสำคัญจิตเป็นรลากฐานสำคัญในชีวิตขอให้พากันทราบอย่างถึงใจ ความรู้อันนี้ที่ประจําตัวของเรานี่แม้เราจะจับตัวความรู้ไม่ได้ก็ตามก็คือความรู้อันนี้แหละที่เป็นรากฐานในชีวิตและเป็นนักท่องเที่ยวในวัดตะั้งหลายแต่านานขนาดไหนก็คือผู้นี้จะสิ้นสุดวิมุตตัดเรื่องความสมมติคือเกิดคือตายทั้งหมดออกได้ก็เพราะ จิตดวงนี้ได้รับการอบรมซากฟอกเชื้อที่เป็นภัยที่เป็นกเหตุให้เกิดให้ตายอยู่ภายในจิตนั้นออกได้โดยไม่เหลือจิตก็หมดเหตุหมดปัจจัยผนี้เป็นอันาหมทตะคำี่ว่านักท่องเที่ยวในเวลาที่มีกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ว่าใครทั้งนั้น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 คนใดที่หลงผิดไปตามนั้นคนนั้นก็ต้องเป็นภัยไปแล้วมีความเชื่อถือในคำเช่นนั้นของบุคคลที่เป็นภัยนั้นก็ย่อมมีความระบาดไปเรื่อยๆสาการะจายไปหมดนั่นแหละคือภยัยศาสนาธรรมไม่ได้เป็นภยัยถ้าว่าเป็นภัยแล้วพระพุทธเจ้าจะวิเศษได้ยังไงอืถ้าทำเป็นภยัยพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นภยัยต่อพระองค์เองและต่อโลกพระสมก็ต้องเป็นภยัย นี่ไม่ปรากฏส่วนมากคนไม่มีธรรมนั่นล่ะเป็นภัยต่อตัวเองนั่งอยู่ก็เป็นยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นฟังเรื่องดีเรื่องชั่วก็เป็นมันนั่งมีความสําคัญขึ้นภายในจิตใจอันเป็นตัวภัยเพราะสติปัญญาไม่มียึดถือสิ่งต่างๆรักก็เป็นภัยเบียดก็เป็นภัยโกรธก็เป็นภัยทังก็เป็นภัยอะไรๆเป็นภัยหมดเพราะจิตเป็นตัวภัยเถ้ารดนตัวเองอยู่ตลับเวลา ผู้นี้แหละคือผู้เป็นไัยสิ่งนี้นเป็นเรื่องสกรปรกเป็นเรื่องต่ำชา้าเรื้อสามเป็นไฟเผาจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนอยู่เสมออันนี้แหละคือตัวภยัยถ่ธรรมซึ่งเป็นเครื่องแก้สิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายดังกล่ามา น, นี้จะเป็นภัยได้อย่างไงหากว่าเป็นภัยแล้วจะแก้สิ่งเหล่า น, นี้ได้อย่างไงพระพุทธเจ้าทรงแก้ได้แลโดย สิ้นเิงไม่มีจริงในเหลือในประไทยขึ้นชื่อว่าภไยดังที่กล่าววันนี้จนเป็นผู้บริสุทธิ์บิมุตพุทโธ ท, ทั้งโดวงนี่เรียวกว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐทำของพ ร, พระองค์ก็เหมือนกันทือว่าทำโมโปรีโปความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในยจิตทั้งโคก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความสว่างกระจ่างแจ้งความบริสุทธิ์บิมุตมีแต่ผู้ปราศจากภไยแล้วทั้งหมด นำศาสนาศาสนธรรมที่ปราศจากภัยที่บริสุทธิ์นั้นมาสอนโลกทําไม่ศาสนาจะเป็นเครื่องกดถ่วงโลกเพื่ภัยต่อโลกมีอย่างที่ไหลที่ไหนนอกจากโลกผู้สําคัญว่าศาสนาเป็นภัยนั่นเท่านั้นเป็นตัวภัยแก่ตนเองและเป็นภัยต่อสังคมไม่มีอันใดที่จะเป็นไปเพราะความสําคัญเช่นนี้เป็นความสําคัญที่ผิดอะไรที่พาให้ผิดก็คือเรื่องความคิดและหัวใจที่ เป็นบ่อกเกิดแห่งความคิดนั่นแหลมันเป็นตัวเป็นต้นเหตุแห่งความผิดหรือเป็นผู้ผิดการแสดงออกมาอย่างนั้นจิงเป็นความผิดทั้งนั้นหากไมาเป็นความผิดเราลองเอาความคิดเช่นนี้ไปใช้ในโลกดูสิโลกไหนจะไม่ร้อนเป็นฝืนเป็นไฟไม่มีแม้ตัวเองก็ยังร้อนหากว่านําศาสนาไปสอนโลกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงบาเพ็ญมาแล้วจนในตรัสรู้แล้วโลกจะเป็นภัยอย่างนั้นไม่ลโลกจะเดือดร้อนอย่างนั้นได้อยังไง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 ล้วนแล้วตั้งแต่หมู่ชนทั้งนั้นคนที่อยู่ด้วยกันไม่เห็นอกเห็นใจกันมีแต่ความเบียดเบียนทำลายความเห็นแก่ตัวความคับแคกก็เป็นเหตุที่จะให้ทำลายคนอื่นได้เป็นเหตุที่ให้เกิดความกระทบกระเทือนคนอื่นได้ตามแต่อุบายวิธีของที่ตนเห็นว่าชอบธทมคำว่าชอบธทำของปุณนี้คือชอบทำของกิเลสมาตนจะได้รับความดีความเด่นความมั่งมีสีสุขจะมีชื่อเสียงเกียรติยศ มากน้อยเกียงไรด้วยการกระทําเช่นนั้นเป็นที่พอใจในการที่จะต้องทําและโลกก็ร้อนเพราะเห็นนี้เองเพราะจิตใจของใครๆก็มีต้องการอิสรภาพเช่นเดียวกันและมีคุณค่าเช่นเดียวกันแม้แาาต่สัตว์เขายังกลัวตายเขายังก ล, ลัวความเบียดเบียนเหตุใดมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่กลัวความเบียดเบียนไม่กลัวการทําลายไม่กลัวการดูถูกเหยียดหยามกันเมเหรือใครไม่ปรารถนากันทั้งโลกความที่ ทำให้เกิดความก้าว้าวเกรี้ยวซึ่งกันและกันจนโลกหาความสงบไม่ได้เป็นพื้นเป็นไฟอยู่โดยลําดับมาจกนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปโดยลําดับไม่มีที่คิดจุดนี่ เ, เรพราะเหตุอะไรเพราะอะไรเป็นสาเหตุถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวอันเป็นเรื่องของที่เลี่ยรุนรนี้จะเป็นเรื่องของอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนได้หมดท่านมีพระเมตตาหมดจกนกระทั่งถึงสัตว์ทุกตัวไม่ให้มีการเหเอียดาย้ำ รือดูถูกไม่มีการทำลายให้มีถือเป็นความเสมอาภาคในคําว่าจัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนะักให้ความเสมอาภาคด้วยกันมาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนทำลายกันเมื่อต่างคนต่างเห็นความสําคัญของชีวิตจิตใจของกันและกันเช่นนี้แล้วจะเบียดเบียนกันลงได้ไหเบียดเบียนกันไม่ลงเมื่อไม่ต่างคนต่างเห็นกัน มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วโลกมันก็เย็นเออมีผิดมีถูกเป็นหลักเป็นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างคนตั้งระมรัดระวังไม่ต้องหาเลือกหลกปีดปิดผลหมายปีดความจริงเรื่องตัวไปต่างๆนาน า, นาดังที่เป็นอยู่เวลานี้หรือที่เป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือไม่ยอมรับความจริงไปชกไปรับเขามาเท่าไหร่ก็ว่าเขาหาเขาหาเห็นดูสิ คนเราถ้ายอมรับความจริงนะจะว่าเขาหาอะไรไปคุกติดตารางอยู่นี่เราไปถามหน่อยพี่ว่านี่เป็นอะไรถึงต้องมาติดคุกติดตารางเขาหาว่าผมลักควายเป็นต้นแล้วลักเขาจริงๆหรือลักจริงๆเนี่ยลักจริงๆริงทำไมว่าเขาหาก็คือความไม่ยอมรับความจริงความเห็นแก่ตัวนั่นเองอเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเกเรเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องสขุขภพต เป็นเรื่องกดทวงเป็นเรื่องทำลายจิตใจแล้วก็บัดคล้องกันละกันมีมากน้อยเป็นการทำทาให้กระทรคกระเทือนและเป็นความที่ผายแก่ผู้อื่นได้อันนี้เหลือที่โลกจเจริญด้วยอันนี้เหลออันนี้เหลือเรื่องไม่กดทวงกันละกันไม่กดทวงโลกไม่กดทวงโลกยังไงมันล้อนเป็นปืนเป็นไฟยังไม่เท่ามันกดทวงกันอยู่เหลอนะ่ะ แล้ศาสนามีบทใดบาตใดที่สอนโลกให้มีความเดียดเบียนเกิดความเดือดร้อนวุ่นายกันอย่างนี้ไม่ปรากฏเลยเพตได้ศาสนาจึงจะเป็นเครื่องกดทวงโลกได้ล่ะนอกจากตัวเองกดทวงตัวเองมีเท่านั้นทีนี้เรานำอันนี้มาปฏิบัติในจิตใจของเราโอปันญิโกการแสดงธรรมนี้มีทั้งข้างนอกข้า ง, ง, งในข้อสำคันก็คือว่าฉันน้อมเข้ามาเป็นสานะสําหรับเราแยกข้างนอกให้ดูเสีก่อน ข้างในของเราเวลานี้มีอะไรกดท่วงกิดกัเราถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรทําไม่เคยกดท่วงขณะใดที่สติปัญญาปราบศจากใจขณะนั้นแหลเราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถูกกดท่วง ย, ย่ํายีโดยอาการต่างๆจากกิเลสทั้งหลายะหาขณะใดมีสติมีปัญญาแม้จะไม่เพียงพอต้านกับความต้านทานหรือปราบถึงนนั้นให้หมดแต่ก็ตามเรายังพอยับยั้งได้ ไม่ทุกถึงขนาดหรือไม่ทุกเต็มที่เต็มแดงนังพอลดหย่อนผ่อนผันกันบ้างยิ่งเรามีสติปัญญาพอตัวด้วยแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นขาาศึกต่อใจได้เลยนี่แหละทำคลองใจเป็นอย่างนี้ใจเป็นอิสระได้เพราะทำคลองใจใจเป็นอิสระใจมีความสงบสุขได้เพราะการรักษาใจด้วยธรรมตลอดถึงความอุญพ้นจากการกดทวงทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเพราะ การปฏิบัติธรรมเพราะรู้ธรรมเพราะเห็นธรรมนะทำอยู่ในสถานที่ใดต้องเย็นในสถานที่นั้นทำอยู่ที่ใจใจจะร้อนได้อย่างไงทำอยู่ที่เจนที่ใจต้องเย็นใจเป็นธรรมธรเป็นใจยิ่งเย็นไม่มีการสถานที่มาเกี่ยวข้องเลยเย็นเต็มที่เต็มฐานก็คือใจเป็นธรรมธรเป็นใจเราหาเราลองคิดดูดิว่าทําบทใดแงใด ที่ทําความกดทวงทําโลกโลกให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ปรากฏแม้นิดหนึ่งก็ไม่มีเมื่อในเรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมีมากน้อยแสดงให้เห็นชัดเจนภายในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งป้อมให้ดีพยายามกําจัดพยายามต่อสู้กับเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัวเราอยาให้มันกล่อมถ้าหลับทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมันเอให้มันมีเวลาตื่นบ้าง ไลมีเวลาต่อสู้กขาเขามั่งถ้าหากมีการต่อสู้กันแล้วคาว่าแพ้ชนะก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ราบเส่ยทีเดียวคาว่าราบทีเดียวคือหมอบราบเส่ยทีเดียวเพราะไม่มีการทางต่อสู้มีแต่หมอบราบชเววาชื่อไปหมดที่เด็นว่าไงเชื่อไปหมดเชื่อไปหมดถ้ามีการต่อสู้ก็มีแพ้มีชนะต่อไปก็ชนะเรื่อยๆและชนะไปเรื่อยๆชนะไปเลยเป็นอิสระเต็มพูม นี่อำนาจแห่งาศาสนธรรมที่ผู้นํามาปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป็นที่เชื่อใจเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีอะไรที่จะแน่ใจได้ไดยิ่งกว่ า, าศาสนธรรมเราปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถของเราเราก็แน่ใจเราได้ให้เต็มที่จริงๆก็คือจิตบริสุทธิ์แล้วแน่ตลอดเลยล่ะไม่สงสัย ไม่อยากกับอะไรทางนั้นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากศึกษากับใครๆว่ า, น, า, น, า น, น, น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อยากรู้นั่นอยากเห็นนี้เพื่อนันเพื่อนี้น อ, นนอีกต่อไปไม่มีรู้สตุกจิ่งจุ่อย่างพานา จ, จิตใจเต็มภูมิความรู้ความเห็นแล้วก็ไม่อยากความไม่อยากความไม่หิห้โหยไม่มีอะไรรบ ก, กวนแล้วก็แสนสบายขอให้พากันนาธรรมะนี้ไปปฏิบัติรักษาตน อู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดก็ตามให้ทราบเสมอว่าความผิดถูกตัวดีนั้นอยู่กับเราการแก้ไขสิ่งเหล่านี้หรือการส่งเสริมสิ่งที่ควรส่งเสริมการแก้ไขดัดแปลงหรือชำระสักษาสิ่งที่ควรชำระก็อยู่ที่ตัวของเราไปไหนให้มีวดัดจะให้ปัสจากวาดัดอย่างท่านอาจารย์ปั้นเคยว่าวาดัทวาดที่นั่นวัดที่นี่วัดอยู่ภายในใจน่ท่านผู้กะระทุก มีวัดอยู่ภายในยใ จ, จิตใจเสมอว่าัดปฏิบตัติมีสติมีปัญญามีศรัทธาความเพียครไคข่ควนดูเหตุดูผลนั่งรถไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆอใครจะมาบ้าก็ตามว่าบอกก็ตามขอ้ขอสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบเรานี่คือเราเองอย่าเป็นบ้าก็าแล้วกันถ้าเราไม่เป็นบ้าเราเป็นร้อยๆ้อยคนจะมาว่าก็ตามมันมันมันบ้าทั้งนั้นอ่ะคนร้อ ย, อ ย, อยคนนั้นร้อย้อยคนนั้นอ่ะเราไม่บ้าแค่คนเดียวเราก็สบายอันนี้เป็นจุดสําคัญพางนำอันนี้ไปเพื่อปฏิบัติ เวลาถูกใครว่าอะไรๆก็ให้คำหนึงถึงพระพุทธเจ้าอย่าไปดวนโกรธดวลวิ่ให้เขาไม่พอใจเขาความโกรธให้เขามันก็คือไฟเผาตัวเองความไม่พอใจในเขาก็คือไฟเผาตัวเองไม่ใช่เผาที่ไหนมันเผาที่นี่ก่อนมันจึงไปเผาที่อื่นให้รามันระวังไฟกองนี้อย่าให้เกิดเราก็จะเป็นสุขโตนั่งรถนั่งาลาแก็สุขโตไปเรื่อย นั่งอยู่ในบ้านกับซุโโ ต, โตอยู่ก็สบายอยู่ที่ไหนก็นสบายหาละแทนแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร